เรื่องเล่าผีหลอนตอนชายแก่ไม่มีหัวเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางครับคือผมเพิ่งจะจบปะวะสมาจากลำพูนและจะมาเรียนต่อปริญญาตรีที่จังหวัดลำปางผมได้หาหอพักกับเพื่อนๆวันนั้นทั้งวัน ก็หาไม่ได้หาไปเรื่อยๆจนมาเจอหอหอหนึ่งสภาพก็เก่ามากแล้วหอพักแห่งนี้เป็นสีส้มมีสองชั้นลักษณะหอเป็นตึกตัวแอลสภาพแวดล้อมรอบข้างเป็นหญ้าสูงดูโสมผมได้ห้องหนึ่งสซึ่งห้องผมประตูหน้า ตรงกับประตูทางเข้าหอพอดีสภาพห้องก็4คูณ4เมตรสี่เหลี่ยมถ้าเข้าจากประตูมาประตูก็จะอยู่ฝั่งซ้ายหน้าต่างบานเกรดก็จะอยู่ทางขวาประตูทางเข้าตรงกับประตูทางออกหลังห้องไปห้องน้ำหัวเตียงอยู่ติดกับหน้าต่างบานเกรดมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนั้น เป็นช่วงสอบใกล้ๆสิ้นปีแล้ ว, วันนั้นเป็นวันที่บรรยากาศครึมมากเมื่อผมสอบเสร็จก็เย็นแล้วเมื่อกลับมาหอเพื่อที่จะพักผมเหนื่อยมากเมื่อเข้าห้องได้ก็นอนบนเตียงทันทีหลังจากนั้นผมก็เหมือนฝันอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องผีมันเหมือนกับเจอผีในฝัน แล้วตกใจมากแล้วก็มารู้สึกอีกทีผมอยากตื่นแต่เหมือนตื่นไม่เต็มตื่นมาพร้อมกับอาการเหมือนกับอยากจะหลับต่อผมพยายามลืมตาแต่ก็ลืมไม่ขึ้นภาพมันพร่ามัวไปหมดภาพจากนั้นก็ค่อยๆเริ่มชัดขึ้นผมก็เหลือบมองลงไปทางประตูหลังห้องในขณะที่กาลังนอนอยู่ อยู่ดีๆห้องก็เริ่มมืดและตอนนั้นเป็นช่วงตอนเย็นแดดยามเย็นส่องมาทางประตูทำให้ตรงมุมห้องมันมืดมากผมรู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่จึงได้เพ่งเล็งตรงไปที่มืดมืดตรงมุมห้องที่ติดกับประตูผมจ้องมองไปยังที่ตรงนั้นแล้วอยู่ดีๆ ก็มีเงาคนเดินออกมาจากมุมตรงนั้นพุ่งเข้ามาหาผมผมหลับตาและก็มารู้สึกตัวอีกทีผมขยับอะไรไม่ได้เลยจากนั้นหูของผมอยู่ดีๆมันก็ดับไปเลยครับไม่มีเสียงไม่ได้ยินอะไรสักอย่างแต่แล้วสักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเท้าเปล่า เดินรอบๆตัวผมมีเสียงดังแสะแสะแสะค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็หยุดตอนนั้นผมรู้สึกกดดันมากแขนด้านซ้ายของผมเหมือนมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นสักพักเตียงก็ยุบลงตรงกลางระหว่างแขนซ้ายของผมแล้วก็มายุบตรงหัวไหล่แล้วก็มายุบ ตรงระหว่างบ่ากับคอซ้ายแล้วเหมือนมีลมเย็นๆผ่านหน้าผมแล้วเตียงก็มายุบตรงระหว่าง่ากกับคอด้านขวาแล้วก็เริ่มมีเสียงตรงใกล้ๆหูผมมันเป็นเสียงเบาสลับดังเสียงแบบว่าเงาเงาเงวเงาแงวแงวเบาและดังขึ้นผมกลัวมาก แล้วเรื่องที่ผมมาคิดว่าจะได้เห็นก็เกิดขึ้นผมค่อยๆลืมตาจากที่กลัวมากลืมตามาก็เห็นขาคนยืนควบหัวผมอยู่แล้วก็ค่อยๆโน้มตัวลงมาเหมือนกับผู้ชายที่โค้งคำนับนั่นแหละครับร่างนั้นจ้องมองผมเป็นคนแก่ที่ใส่เสื้อสีขาวมีกระดุม เป็นผ้ามันกางเกงผ้ามันสีขาวเหมือนเสื้อคนแก่สมัยก่อนสีเลือเล่อมเลื่อมผมหลับตาจะร้องก็ร้องไม่ได้ขยับก็ขยับไม่ได้ใจสั่นไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วตอนนั้นน่ากลัวมากผมพยายามสวดมนต์ทุกอย่างจากนั้นเตียงก็ยุบระหว่างเอวทั้งสองข้างของผมด้วยความที่ไม่ไหว ผมก็เลยลืมตาอีกครั้งก็เห็นชายแก่คนเมื่อกี้นั่งคร่อมตัวผมอยู่แล้วชี้หน้าดวงตาสีขาวตาดำสีเทาชี้หน้าพูดกับผมว่าหาหิวเอาอันอยางมะือหากินหน่อยซึ่งเขาพูดเป็นภาษาเหนือนะครับผมหลับตาอีกครั้งแล้วค่อยค่อยลืมตาขึ้นมาลืมตาแบบแอบบดู ว่าสิ่งที่เห็นมันไปหรือยังแต่สิ่งที่เห็นคือคอของคนแก่นั้นขาดหายไปจากนั้นผมก็เฮือกหลุดออกมาวิ่งออกมานอกห้องไปหาเพื่อนบอกกับเพื่อนด้วยความกลัวต่างคนก็ต่างตรหนกไม่คิดว่าจะมีผีผมจึงได้ไปถามเจ้าของหอว่าสิ่งที่ผมเห็นมันคืออะไร เจ้าของหอก็บอกว่าคงเป็นเจ้าที่นั่นแหละทุกๆปีเขาจะเลือกคนใดคนหนึ่งในหอให้เป็นสื่อบอกทุกคนให้เอาเครื่องเส้นมาเส้นหน่อยเป็นแบบนี้ทุกๆสิ้นปีเขาเป็นเจ้าที่มานานแล้วเคยสร้างศาลแต่เขาเข้าฝันบอกว่าไม่อยู่ศาลจะอยู่ตรงโขดหินตรงแทงน้ำซึ่งก็อยู่ตรงหน้าผม ใกล้ๆประตูทางเข้าหอผมก็ตกใจทำไมถึงเป็นเราจากนั้นผมก็ได้รวบรวมเก็บเงินคนในหอไปซื้อของไหว้ก็มีเหล้าหนึ่งขวดไก่ต้มหนึ่งตัวไปไหว้ตรงโขดหินนั้นจากนั้นแกก็ไม่ได้เจอผีอีกเลยแต่ผมก็ยังกลัวมากมันเป็นอะไรที่ชัดมากก็เลยมาเล่าให้ฟังครับ